แล้ววันนี้เป็นวันที่สี่ตัวทุกวันตามที่โลกสมมุติและเราก็สมมุติเป็นวันที่เราสรงศีลส่สงธรรม่อวัดจําศีลอุปมามันก็ว่าเรากําลังสวมเครื่องทรงเครื่องนุ่งห่มใหม่ๆเมื่อสวมเมื่อนุ่งใส่เครื่องห่มใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไป น, นั่งอะไรเพ่มันเปิดมันเปื้อน แล้วเราสอนลูกสอนหลานเราแล้วเราเอาเขามาอาน้ำแต่งเสื้อผ้าให้ชุดใหม่แล้วก็แนะนนเขาอย่าให้เขาเป็เกลียดกลัวที่ฝุ่น <c oughs> <c oughs> ขณะที่เรามาสมาทานติ๋นีก็เชน่นกันก็เป็นของใหม่เครื่องประดับ อย่าไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีอย่าไปคิดเรื่องที่มันติดสินติดธรรมคนทรงสินทรงธรรมนี่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องทุกข์วันนี้ปันหนึ่งเทนหนึ่งนี่เราหัดไม่พกุกหัดไม่โกรธหัดไม่หลงปฏิเสธความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงอย่าไปคิดเรื่องอะไรที่จะทําให้จิตใจต่ำหมอง แต่คิดอะไรกันมาทำให้จิตใจสม อ, ง, อ ง, งว่าเปิดเพื่นเปิดเปืนเป่นทางคิดจินยานของเราเรายังสำรวมระวังรักษาความบร้สุทธิ์ความบทดจดของเราถ้าเรารักษาไม่ได้ตลอดไปแต่น้อยกว่าวันหนึ่งเป็นหนึ่งอาจจะเป็นนิดไตเป็นตัดใจเป็นภูมิเป็นภูนที่จะเก็บหอมรอมลิบเอาไว้ มันมีทุนพอที่จะม <c oughs> ีที่สิ่งพาใส่มล้ก็อาจะต่อเติมได้งอายยิ่งจะดีกว่าที่ไม่มีเลยเด็ดวันละม า, าปฏิบัติเกิดความบริสุทธิหมดจ ด, ดของจิตวิญญาณของเราสักครั้งหนึ่งนี่มันก็ดีถ้าคนเราเกิดมาแล้วเคยฝุกฝนตั้งแต่เด็เลยก็ อักทะต้นทางจิตวิญญาณความไม่ทุกข์มันเป็นมรดกของจิตวิญญาณความไม่โกรธความไม่โลภความไม่หลงมันเป็นมรดกของจิตวิญญาณของเราสิ่งที่จะนําพาให้เราถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์นี่ก็คืออัดเดินไปนี่แหละเห็นเรามาเดินตามรอยสักสุตติจา้รารอยาก มื่จักของปูถใดของท่านปุถใด้แล้วก็ทําตามท่านลองดูเราก็บรบกุธก็ทำก็สง์ก็ทํทาตามพระพุทธเจ้าลองดูทำที่ทําให้ถึงพระพุทธเจ้าเลยละชั่วทํา ด, ด, ดีทําจิตให้บริสุทธิ์นี้เราจะละชั่วอย่างไงจะทําคําดีได้อย่างไร แต่ทำละกิจให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็ไม่ต้องไปค้นหาอะไร ม, มีสูตรมีตำรามาีแบบมีแผนอยู่เห็นาทางที่จะดำเนินชีวิตไปสู่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงค์เติร์คือการเจริญสติปัะฐานดังที่เคยพูด หลายครั้งหลายหนว่าการเจริญสฏิประธานสี่มันเป็นมันเป็นวิชาเอกเป็นทางอันเอกเป็นทางหมายเลขหนึ่งเราัดกํำเนินไปลองดูเป็นทางเดินของจิตเห็นญาณของเราถ้าเราไม่หัดเดินมันก็ไม่รู้ไม่คล่อง เราหัดเดินอาจจะลู่วาจจะคล่องตะวันหนึ่งอาจจะเกิดความคล่องแคล่วขึ้นมาอาจจะง่ายสำหรับรผู้ที่เคยสำหรัผู้ใดที่ไม่เคยเดินเท่าก็เมื่อแต่ซ่านเวลาใดมันมีภพกก็ไม่รู้จักผิดทางออกพอจนอยู่กับความภพเวลาใดมันโกรธก็จนอยู่กับความโกรธจิตใจผู้ผู้แปลกแปลปุงปุงแต่งแต่ง สิ่งที่เหนือจากปูๆแฟงๆปรุงๆจีงแตงเราไม่เคยสัมผัสเมื่อเราไม่เคยไม่ชินไม่เคยไม่มีนิสัยไม่มีตัณใจมันก็ลำบากเป็นผลรักภัพอับจนไม่มีทางออกอางที่พูดคราวก่อนชีวิตของเรามันต้องมีทางออกมันเกิด มันเจ็มันเจ็บมันตายเราจะออกทางไหนมันรอดมันหนาวมันสุกมันทุกเราจะออกทางไหนแต่ถ้ายังหาทางออกไม่ได้ ก, ก, ก, ดกพพ็ถูกความเจ็ดความเกิดความเจ็บความตายครอบงำย่ำยีถูกความรอดความหนาวความไม่สบายกายความไม่สบายใจย่ำยีตลอดเวลามันก็ว่าเราถูกขังถูกกับขัง เราถูกกบคขังก็ไม่มีสิจภาพแเขาก็มัดดึงโชคด้อะไรมาก็ถูกเราหมดนั้นเราจึงหาทางออกดำเนินตามรอยรพุทธองค์ดำเนินตามรอยพุทธบาทพระพุท ธ, า บ, าททธาบาทก็ไม่ใช่รอย <c oughs> เท่าที่เราเคยเห็นเคยไปกราบเคยไหว้อยู่ที่ลบบุรีบ้างที่พระพุทธบาทที่ครพนมบ้างที่ไหนที่พระบาทจําลองหลายๆแห่งแต่นั่นเป็นสมมุติสัญญาไม่ใช่เป็นปรมัตร์ปัญญัติรอยพระบาทของตัวเจ้าจริงๆก็คือละทั่วทำดีทำกิจให้บริสุทธิ์ควมหมายถึงศีลสมาธิปัญญาทรงให้ได้รีให้ได้ ในตาให้บริสุทธิ์ห้หมดุดวันหนึ่งคืนหนึ่ง อ, อาจจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอาจจะได้สัมผัสกับกิสระภาพในจิตวิญญาณอาจจะคุ้นเคยอาจจะชนิดทานาเมื่อมีความเะนิสัยทนาตน่อหาทางออกได้ง่ายเ้ื่อเราอยู่บ้านมีประตูเราสํ <c oughs> สนานาในทางการเข้าออกประตูบ้านของเรา มันมีไหล่เสด็จวิ่งออกทางประตูกอดไทยทุกทาัานทุกสาวเพราะมีประตูออกสังคิดทางใจของเราก็เหมือนกันมันมีทางออกความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายแล้วใดที่มันะตกเกิดขึ้นแก่เราพอออกอย่างคล่องแคร่ว่องไหวลอดไทยทุกทีไม่ต้องไปหัวเราะไม่ต้องไปร้องให้ อ่านพันป่าจากของล็อกของจอดใจคนที่ไม่มีทางออกก็เป็นภุกขาคนมีทางออกก็ไม่เป็นภุกขาความไม่สบายกายความไม่สบายใจผู้ใดมีทางออกก็ไม่เป็นภูเขาไม่มีทางออกก็เป็นทุกขาเคยพูดอยู่หลายครั้งว่าป <c oughs> ุะชชนคนธรรมดาเทศนาเป็นภุกขาป่าสนามสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั่นก็เป็นภุกขา ค, devant, ความพัดพลาดจากของรักของถอนใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความเสียก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แต่สาหรับพระพจ้าไม่ได้เป็นทุกข์อาชนาสิ่งใดไม่ได้สินะไม่เป็นทุกข์มันมามันได้เป็นบทเรียนมันมีบทเรียนมันมีทางออกไม่จนไม่จน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 เราหลงเรื่องของกายก็มีเรื่องของกายก็มีหลายอย่างเวทนาของกายก็ความปวดความหม่อยความร่อนความหนาวความหิวความกระหายมเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเจ็ดเราเราทำยังไงกับเวทนาเนี่ยบนงทีเวทนานี่เคยลงโทษเรายังไม่พอเปอสร้างเกิดความวุ่นวายแก่คนอื่นเอ่นี้ เราไม่เข้าใจมันกานที่จะกำหนดรูปเวทนาเราต้องเห็นเวทนาเป็นศักว่าเวทนาไม่ใช่ เ, เวทนามาลงโทษต้องร่องห่มร่องให้เป็นปลุกสวยพวกไปกับมันที่มันสิบต้นเราก็มีสติดูให้เห็นว่ามันเป็นคนละอันเวทนานี้มันก็เป็นธรรมเป็นสัจธรรมเราจะเราจะห น, นีเราจะปฏิเสธไม่ได้ เวทนาเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ตอบได้ทุ ก, ทกข้อุกถามเวทนานั้นก็ทําอะไรให้เราไม่ได้นี่แต่สนับสนุนให้เราเห็นให้เราลูกแก้เข้าใจเวทนาโอ้นี่สือเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาความโกรธความทุกข์ความสุขความอะไรต่างๆที่นึ่งโดยกายนึ่งโดย จ, จิตใจ มก็บอกมันทุกขังที่มันเกิดขึ้นมาในต่องใจ้างให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคอนเทีอกความทุกข์ไประบายกับปัจจุบสิ่งของไประบายกับผู้กับคนไปก็มีเสยเงินเสียทองก็มีเกี่ยวกับเวทนาไม่ถูกจนเกิดโลกไทยไขรเจ็บก็มีก็ถูกเวทนาถูกกายมันหลอก กายมันก็หลอกเราเราก็ตกเป็นทาสของเรื่องของกายที่มันหลอกเราเสียงเงินเสียทองมามากเรามีสติเมื่อ <c oughs> เรามีสติเราก็รู้เรื่องของกายถ้าเราเห็นตามตัวเป็นจริงเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเรื่องของจิตในตอนนีม้มากมายอาปัสสัตถิธรรมเขว่าในจิตตั้ง รอยแปดดวงโลภะจิตโทสะกิตอ ก, กุศลกิจโลภะกิตอะไรต่างๆเมื่อกุศลกิตเกิดขึ้นเป็นยังไงเมื่ออกุศลกิจเกิดขึ้นเป็นยังไงเราก็นับเอากิจที่มันตุงมันแวงว่าเป็นกิตจริงๆมันก็มีกิจอันเดียวนั่นแหละมีกิจใจอันเดียวนั่นแหละ สิ่งที่มันมาปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่าจิตเป็นกินเลสเป็นรักันตุก ะ, ะมันมาปรุงมาแต่ ง, งความโกรธไม่ใช่จิตความทุกข์ไม่ใช่จิตการหลงความอ่าไม่สบายอะไรต่างๆไม่ใช่จิตจิตแท้ๆจิตําเดิมมันเป็นปกติไม่ได้ทุกมาได้โกรธไม่ได้เศ้าไม่ได้ติดตกกังวลอะไร เราก็จะเห็นถ้าเรามีสติถ้าเรายังไม่มีสติก็ไม่เห็นนถ้าเรามีสติกิตที่มันเป็นกิดจเดิมด ม, มันก็ปรากฏขึ้มนมาเพราะขณะที่เรามีสติความปรุงแต่งจะไม่มีความปรุงแต่งไน่มีถืาความปรุงแต่งในนี้ก็เหมือนกับน้ําที่มันกําลังจะ น, นิ่ง กำลังตองเงากำลังจะเห็นเงาหน้ามันจะสงบสงบมองเงาเราได้ครับถต่ที่น้ามันเกิดเพื่อมก็ไม่สามารถที่จะมองเงาได้จิตใจของเราก็กำลังตันถ้าเรามีสติก็เหมือนกับบรรยากาศเต็มความปกติลมไม่พัดน้ามก็เนิ่งลงนิ่งลงแล้วก็มองเห็นสภาพของจิต เวลาใดที่มันลักคิดจะมาก็โอ้มองเข้าใจโอ้นี่คือความคิดมันไม่ใช่จิตความคิดเนี่มันเป็นขโมยก็มเกีเป็นสังขารก็ได้เป็นตมุทไทก็ได้เป็นตัวที่มันรักคิดเนี่ยดูให้ดีๆอย่าตรงไปหลงกับมันง่ายเกินไปอย่าหมดเนื้อหมดตัวกับความคิดง่ายเกินไป ลองต่อลองทักหน่อยกําหนดลู่สักหน่อยหยุดฉุกคิดขึ้นมาชุกความลู่ขึ้นมาสักหน่อยแล้วเราเดินไปตามถนนหนทางเห็นไม้มันเหมือนแต่ท้ายไงเงก็ชุกชุกดูเถะก่อนให้ที่เจตเพหน่อยเอ้ยอะไรแต่เป็นเงยก็ให้รู้ว่าเป็นเงยนะแต่เป็นไม้ก็ให้รู้ว่าเป็นไม้ครับ จะให้ได้คําตอบแล้วจะไม่ได้ข้างคางไม่สงสัยขณะที่มันรักคิดในกอวันสารลองลองถุกตะกี้ขึมาเอ๊ะนั่นอะไรพักพ่วงดูพักพ่วงความลักคิดสองหนึอย่าให้มันเต็มอิ่มฉลาความลักคิดสองนี้ผู้เห็นผู้ดูมันมาทีไรพ่วงทุกทีอะไร ส่วนตุกติมันก็แฉกแปลกหน้าที่มาเยี่ยมมาบ้านเราถ้าใครมาก็รู้จำได้จำได้คนนั้นอยู่บ้านนั่นคนนี้อ่บ้านนี้คนดีคนชั่ว จ, จำได้จะรู้พัคคบความคิดที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจก็เหมือนกันจนได้พูดออกไปว่าโอ้ความคิดก็สักว่าความคิด ให้ใช้จัดฝึุคลตัวตนเราเขาทีมไหนไม่เชื่อก็ได้ไม่ทำตามมันก็ได้บางทีมันก็หลอกเราล้วเฟินความผิด ต, ตอนนี้สติก็กเป็นธรรมดามันก็ต้องเห็นอะไรที่มันเป็นจริงนกาเรามีตาลืมตาขึ้นมามันก็เห็นอะไรที่เป็นจริงแต่หลวงพ่อนั่งอยู่นี่กำลังลืมตาดูญาติดูโยมกาลัง จำหน้าคุณตาญาติโยมกำลังจะลุจกจกชื่อจะเสียงแอบแอบฟังเขาเรียกกันไปได้ยินได้ฟังหลายข้างหลายขาจำได้โยมคนนั่นอยู่บ้านนั่นโยมคนนี้อยู่บ้านนี้คือนั่นคือนี่กำลังหัดกำลังเรียนอยู่พอปอกจากวัดโมกไปนานหลายปีสิกดกูปีอะไรดูร่วมกันแต่ว่าก็มีเชื่อนีสายอยู่จำได้เลย พออยู่นี่ปี514จุดห้าจหกสามปีก็อพอคุ้นพอเคยมีทุนบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีทุนอะไรอันนี้ก็เหมือนกัน เ, เรามาหัดสร้างทุนเราไว้ตุดผลตนเองมีสติสมาชั ญ, ญาะดูกายดูใจดูธรรมดูเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นกัะหน้าเรา ผู้ปฏิบัติผู้ที่จเจริญสติอยากไปผลขวายที่จะให้มันเกิดหลายเรื่องเรากำหนดดูกายอันเดียวพยายามหาวิธีที่จะรู้กายเห็นกายผลควยที่จะรู้เรื่องกายเห็นกายพยายามเราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงจึงจะมีความรู้จึกดูกาย โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติดังที่หลวงปู่เทียนท่านสอนดอนเป็นวิธีที่คือตรงที่สุดในต่องข้องต้องแหวะสัมผัสสัมผัสกับตัวสติโดยตรงไม่มีอะไรที่มาติดบังอ้อมางสติปัญฐานนี่จากที่หลวงพ่อพูดอยู่นี่ก็ไม่ถูกนะให้ไม่ได้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 ยกมือขึ้นรู้สึกวางมือลงรู้สึกพ่วมมือลงรู้สึกให้มีความรู้ไปกับกายจริงๆไต่คิดรู้เอาไม่ได้ตเนกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกก็อมือมาหน้าท่องรู้สึกยกมือขึ้นมาเหนือท่องหน่อยหนึงรู้สึกจกออกไปรู้สึกวางลงเขารู้สึกพ่วมลงรู้สึกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวรู้แท้ๆสาเร็จประโยชน์สัมผัสสติ การสัมผัสกัติไม่ใช่ฟังคิดเราก็ไม่ได้ต้องสัมผัสต้องทําต้องประกอบขึ้นมาเพราะฉะนั้ น, นให้กันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้อยดีตแท้ๆเนี่ยเอาให้กันไม่ได้ร่ว เ, เองร่ว เ, เองเข็มเราเองเป็นของเราเองสัมผัสเราเอง ให้ทุกคนได้สัมผัสกับตัวสติใอยจะวัดเืนหนึ่งวันเหมือนเพืนหนขอให้พิเศษจงวนนรักษาทรงเอาไว้ประคองเอาไว้จะให้มันหลุดมันหลน <c oughs> สำคัญอยู่ที่การรักษาก <c oughs> ารหาเนี่มันอาจจะง่ายแต่เรามีทรับก า, ารหาทราบอาจจะง่าย การรักษาเนี่ยจะยากสักหน่อยอเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสกับตติทุกคนก็คนไวยเอาเองจัดสรรชีวิตตัวเอาเองจิยาอาการอย่างไรจุดต่อนของเราอยู่ที่ตรงไหน ชอบหลงอย่างไรมันรู้ในลักษณะแบบใดเป็นหลักษาคนของใครของมันเป็นความรู้ของใครของมันจัดสรรหาดู <c oughs> อาจจะเกิดความชนิดตำนานในแง่ใดมุมใดบางคนอาจจะเดินตรงกลมดีกว่านั่งรู้ได้ดีบางคนอาจจะนั่งอาจจะรู้ได้ดีกว่าเดิน บางคนเรา จ, จะเดินไวๆเดินช้าๆละไแต่างๆก็ลองดูมันมีศิละปะของใครของมันเูยแต่อาจจะไม่แปลกนม่เที่ยนไปมากอาจจะค่ายๆเงกันเพราะคนเราก็มีส่วนค่ายเชึงกันอยู่ทางกายทางจิตทั้งใจเรียบท่งางๆความร้อนความห น, นาวนั่งนางนๆก็เลยเจ็บปวดเมื่อยเหมือนกัน <c oughs> ไปจากนั้นเนี <c> ่ย <oughs> ให้ทำนานให้มีความทำนานในตัวเองทำนานในการรู้ทำนานเห็นทางที่มันหลง <c oughs> แล้วก็เห็นจุดดอนของตัวเองก็แก้ต้องแก้นะเมื่อผิดแล้วไม่แก่เลยละเมื่อผิดแล้วยังทำผิดตั้มอยู่ไม่ดีต้องแก้เป็นมันหลงก็เอาก็ไม่หลงเปกินมาให้ได้ อาความไม่หลงไปแกแ้มันทุกข์หัดเอาความไม่ทุกข์ไปแก้มันโกรธหัดเอาความไม่โกรธไปแก้มันหนักหัดเอาความเบาไปแก้มันเนอมันร้อนหัดเอาความเย็นไปแก้มันมีคู่มีคู่กันอยู่จะไปหมดเนื้อหมดตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันมีปัญหาแก่ตัวเราเนียหัดแก้หัดไขหัดเปลี่ยนหัดแปลง การหัดแก้หัดไขหัดเปลี่ยนแปลงเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าภาวนาไปใช้นั่งหลับหูหลับตาอยู่เมื่อใดที่มันคุ้นคิดขึ้นมาก็คุ้คิดอยู่เช่นนั้นโยกับความคุ้คิดจะนั่งหลังกดหลังออเป็นวันเป็นเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์แต่มันคุ้นคิดขึ้นมาก็าแก้เลยเออในคิดก็ได้มีสติ ลงไปความคุณคิดมันหมดไปแก้ทุกทีที่มันหลงแก้ทุกทีที่มันคิดเรียกว่านักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็แก้ได้กอดบ้านอยู่ที่บ้านก็แก้ได้ตักผ้าอยู่ที่บ้านก็แก้ได้มันเกิดอะไรที่มันคิดแก่ตรงนั้นละหัดแก่หัดไขอยู่ตรงนั้นแก่บ่อยๆมันก็เกิดเต้นจินละปะขึ้นมาแล้ววัน ง่ายเลยง่ายที่จะไม่ทุกข์เลยง่ายที่จะไม่โสดง่ายที่จะไม่ริกตกกังวลเลย ห, ห้องในทางนี้ก็มันหัดออกหัดหลุดหัดพ้นได้ง่ายทุกทถ้าไม่หัดมันก็ไม่เต็มตลอดมันก็ดูก็ล่โสะเจริญปังสุตเจริญปางราคะเจริญปางบางทีก็จําเป็นจําเป็น ตนติดปุรีก็จําเป็นจําเป็นคนติดลด่าโอ้ยจำเป็นจําเป็นอขอเงินไม่ได้ต่างได้อ่านหนังสือติมพขอเงินเมียไปซื้อเล่าไม่ได้ตวงควยออกไปขายเมีเเยวิ่งไล่เอาควยายมาหัวโกรธเอามีดแทงเมียตายเพราะจะเอา ควายไปขายเอาเองินไปซื้อเหล้ากินนั่นหลงเลยาหลงมากจนลืมอะไรทั้งหมดเเคยมีคนติดทุหรี่หลวงพ่อไปสอนเขาเขาเลิกบุีได้เขาไปเห็นโทษขนาที่เขาสูอยู่เขาไปไถนาตอนเช้าเขาลืมห อ, อยาไปสู่กรณีไปส่งข้าวเขาก็ถามเมียเว่าเอาหอยยาให้หรือเปล่า เมียเขาก็พูดใครจะมาให้ของใครใครเอามาทุกวันใครจะมาให้ก็ด้วยความหิวด้วยความาสาหายเรื่องยาตบก็โกรธไปยินเมียไปโดนโกรธเนียเตะเ น, ตนียตกนาตกกระทบอนนาดีเลยเนียร้องให้เข้าบ้าน พอเขามาเลิกสูบุรีได้เขามาคิดถึงโทษถึงภัยเขาสารภาพเขารับเมียเขาเพราะเขาทำผิดเขาเตะเมียเขาเพราะเขาเหงาบุรีพอมันเลิกได้แล้วก็โอ้ยเห็นโทษเห็นภัยเกิดรับเมียมากที่สุดื่อเชื่อชื่อผ้ามาให้นุ่งมาให้หมอมเพราะเห็นโทษเห็นภัยที่เราเมื่อลง เะฉะนถ้าเราหลงไม่มองเห็นอะไรถ้าเราไม่หลงก็มองเห็นอะไรคนโกรธที่คนหลงลคนทุกข์ก็คือคนหลง <c oughs> คนวิตกกังวลก็คือคนหลงถ้าไม่หลงมันไม่เป็นอนั้นแต่เรามองเราอย่างนั้นหลองพ้อจะให้แผนที่ว่าไว้ <c oughs> แต่เวลาใดเราโกรธแสดงว่าเราหลงแน่ก็หาทางซะหาลูกหาทางออก จากมันซะแต่ถ้าให้ความโกรธครอบงำย้ำเย่อยู่ที่นั่นมันออกได้อยู่แต่ไปถืออย่าให้มันนอนด้วยอยู่ข้ามวันข้ามคืนหลวงปู่พยายามปอกไปซะปล อ, อกนี้ให้ได้ไอนี่มันหลงแต่ไม่หลงมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกพยายามชวนตัวเองพยายามจ่อย ทำไม่วิจยยะเย็ดย่อยลองดูแต่เป็นไปรับมัน ง, งาน่ายๆแต่ไปทําตามมัน ง, งาน่ายๆาราทาอย่างนี้ก็ได้ว่าเรามาสร้างบา ร, รมีแล้วได้มันโกดเอาความไม่โกด ใ, ใส่มีบา ร, รมีขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นทานบา ร, รมีก็ได้จะเป็นศีลบา ร, รมีเป็นคัมติร์บา ร, รมีเป็นอธิษฐานบา ร, รมีเป็นสึกษาบา ร, รมีก็ได้ สร้างทุกทีแก้ทุกทีอย่าไปจำนวนอย่าไปปล่อยปะกละเลยให้โอกาสเขาเต็มที่เป็นตัวมาด้จักปกป้องมาดจับคุ้มครองมาด้วยจักจิต ธ, ธิทางจิตสิญญาณของเราอะไรจะให้เราไป็นทั้งหดถ้าจะกลัเราก็เป็นวิญญาณอเป็นวิญญาณซ้ําซ้อนซ้ำซ้อน โกรธก็เอาทุกข์ก็เอาอะไรก็เอาไม่ใช่เรามาฝึกผนตนเองมีสติมีธรมปัญญาทำอย่างไรเราจะมีสติอย่ไปพูดอยไปคุยอย่าไปชวนกันสิ่งที่ทำให้หลงลืมสติันช่วยกันอยู่ร่วมกันหลายๆ า, ายคนก่อประครับประครองสิ่งใดที่ทำให้หลงเพื่อนเราหลงก็ชวนให้รู้ แต่เราหลงก็พยายามช่วยตัวเราช่วยตัวเราบ้างช่วยคนอื่นบ้างก้รารู้นะคนไหนที่ลงออ่ชวนพูดชวนคุยผัหกห้ามการสื่เอเวทล้อมให้กันและกันเนี่ยมันจะมันกล่าวเป็นมิตรเป็นกัญยาณมิตรถ้าเป็นกัญญาณมิตรกัญญาณมิตร น, นำไปถึงมาถึงผลได้นะถ้าสังคมใดชมชนใดเป็นกัญยาณมิตรเปนจริงๆ สังคมนั่นตรงทงนั่นจะเกิดเป็นพระรีเจ้าขึ้นมาอย่งตระกูลปนาถาพินทิกา์เศรษฐีตระกูลนางวิสาขะเนี่ mm hmm. ก็เป็นตระกูลของพระรียเจ้าเกิดสึ้นหลายเพราะมีแต่ความสงบร่มเย็นสิ่งแวดล้อมดี ด, ดีอันวัดโมก็เราก็พยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้ดี จนท่านได้เขียนรับเหยียบอะไรต่างๆเอาไว้ก็เพื่อจะช่วยพวกเราจะไปหาว่าบังคับจะไปหาว่ า, าไม่มีความเป็นธรรมไม่มีอิสระจะไปคิดอย่านั้นระเบียบต่างๆที่เราแม้แต่ศีลที่เราจะมาทานก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเข้าถึงมากถึงผลได้ง่ายอาศัยศีลนี่แหละ เอาใส่ลำเบียบอาศส่แบบเอาศส่พิธีเนี่ยแม่แต่พิธีที่เราเจริญปฏิแบบการเคลื่อนไหวนก็เป็นวิธีที่ช่วยเราเหมือนกับมีมิดเตียงไม้เป่าไม้ให้เราเกาะให้เราจับเหมือนกับที่เกาะที่จับเด็กอัดเดินใหม่ๆมีราวมีที่เกาะไปเดินไปเอาไปมาก็วางได้เลยอันละเบี้ยที่ในต่างๆ ฟังดูดีๆเขาบอวิในเนี่ยระเบียบในในี่ยคือวิก็คือวิเศษไงยะก็เป็นนําไปนําไปสู่ความวิเศษสู่ความดีงานระเบียบต่างๆอย่าไปถือว่าโอ้ บ, บังคับแต่ไปถือว่าไม่ในอิสระ ต, สต้องธรรมะต่ละเท่านั้นต้องธรรมะเท่าธรรมะเจ็ตนต้องไม่บอก เะเลฐานตาท้าไม่บอกเลกบอกไอยไม่สุบุรีเพระป้องกันเพื่อนที่จะหลงกับ